องนี้ก็วิ่งบอกหมู่ไปชมไปชมไปชมไปชมชมเอเ อ, อ, อเลยาจะว่าโว้ยผมไม่ได้ฟังจากท่าน่ะผมไม่เชื่อหรอกไม่เชื่อท่านหรอกองงออไออย่างนั้นหรอเออเวลาอย่างนี้เป็นอย่างนี้นะเราทําอย่างงี้นะเอ่้ท่านบอกองกเดียวท่านนะองนั้นก็บอกบอกบอกเออเรื่องว่าท่านถูกองไหนอย่าทําอีกนะอย่างนี้นะองนั้นก็ต้องไปบอกหมู่อีก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 เพื่อการเรียนรู้เราไปศึกษากับท่านไม่ใช่ไปไปทำให้ท่านศึกษากับเรานะให้ท่านศึกษากับเราใช่ไหมเราพาดึงลากลงอย่างนั้นใช่ไหมมันมีแต่กี้เลสไนงะถ้าอย่างนั้นองนั้นลากลงองนี้ลากลงแล้วจะเป็นกฎระเบียบได้อย่างไรถ้าพูดจะพูดอะไรก็ไม่กล้าพูดลูปหน้าป่าจมูกเกง อ, อกเกงใจทำไม่ไม่มีการเกรงใจใคร ทำคือทำวินัยคือวินยัยถ้ามันผิดเราคือคือผิดาการเดินมีตำบาทยาห่างกันเกินไปประมาณสามเก้าตัวเองช้าเร็วเร็วรู้ไหมหรือไม่รู้ขนาดลูกไม่ทันขนาดนั้นก็แสดงว่าไม่ใช่ผู้มาศึกษ า, เ, าเดินเกือบจะโค้งบ้านแล้วกย็ยังเดินตามไม่ทันอีกมันไม่ใช่นะมันไม่โูกนะ พวกเราท่านทั้งหลายบอกกันนะให้ศึกผู้เข้ามาศึกษาต้องบอกกั น, นอันนี้แหละลือหลักธรรมวินัยกฎระเบียบของพระที่อยู่ด้วยกันพระวินัยของพร ะ, ะเดินให้สำรวมอย่าไปหมกเดินเถอะไปข้างหน้านเหมือนกับเราไปหาเข้าไปป่าตรงไปหา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 เราก็ต้องปฏิบัติตามกฎกติกานี่กฎกฎกติกาของพระพุทธศาสนาเนี่ยเราก็ต้องศึกษาในกฎกติกาของพระพุทธศาสนาอ่แล้วไปเดินโต ổ, ๊ะตเตะเตะได้ยังไงเราเป็นพระอยู่ในยูนิฟอร์มเนี่ยนะอ่ามีผ้าเหลืองสีสักกบโปงอีกต่างหากเราจะไปเดินมุดซ้ายมุดขวาเนะเออ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 เหมือนกับดินฟ้าอากาศอากาศมันมีอยู่แต่เราไม่สูบลมหายใจเข้านะเราก็ตายนะไม่ใช่อากาศมันหมดนะมันอากาศมันมีอยู่แต่เราไม่สูบลมเข้าไปในปอดของเราแนละ้วมันไม่ใช่อากาศหมดไม่ใช่พุทธศาสนาก็เหมือนเหมือนอากาศนะมีอยู่แต่พวกเรามไม่สูบลมหายใจเข้าออกนะไม่ปฏิบัติตามมันก็หมดสาหรับเรา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 กลุมกุ่มกำกำตุ ม, ม, มตุ่มตามตามนะเตียมตเตี่ยมไม่อยู่ในกฎระเบียบหลวงพ่อที่เป็นหัวหน้านไม่สบายใจนะพอพอหลวงพ่อเนี่ยฝึกมามาจางไหอฝึกมาจากครูบาอาจารย์ฝึกมาจางไงหลวงพ่อจะต้องนําแนวฝึกของหลวงพ่อมาฝึกลูกน้องอกีกลูกน้องจะทําออกนอกลู่นอกทางไม่ได้อถ้าหลวงพ่อเห็นนั่นแหละ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 อายุยังหนุ่มค่าจะไล่มันหนีทั้งหมดจะคิดในใจเพียงแค่นั้นแหละจะทำยังไงได้เพราะท่านแก่แล้วนะนี่เราหลวงพ่อก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันนะอ่นี่แหละจึงเข้มเ ข, ข, ข, ข้มงวดกวดคันพูดไว้ก่อนให้พวกท่านทั้งหลายฟังไว้ก่อนฟังไว้ที่หลวงพ่อพูดต่อไปภายภาคหน้าจะเป็นอย่างไรหลวงพ่อเนี่ยเคยเห็นมาแล้วเคยรู้มาแล้ว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 กิเลสเนี่ยมันดันทุล oh ังม oh ันไม่ยอมฟังคำคของใครทั้งหมดนะกิเลสนะเอ่ยว่ากิเลสกิเลสเราคะโทสะโมหะมีอยู่ในจิตใจเพราะนั้นพวกเราทุกทุกท่านนะเรามาตัดกิเลสมาชาระกิเลสไม่ใช่เหรอม่เลยเราไม่ใช่มาส่งเสริมกิเลสนะมาตัดกิเลสนะมาชาระกิเลสนะเพราะนั้นในพวกเราดูจิตใจของพวกเรานะทุกทุกท่านนะ